ธรรมดีมีใจทาไดเช่นนี้จำใส่ใจพรดีไม่อยู่ไกลแค่คืบใจให้บำเพ็ญธรรมะแท้อยู่แค่ใจมิใช่ไกลจนเกินตัวมาดแม้นสงบเย็นทุกข่วงเข็นเห็นไม่มี ววิวอยากจะตั้งประเด็นวันนี้ไว้ว่าภาษาไทยภาษาธรรมวรรณคัเป็นไงคะ <c oughs> จะได้ดูฉีกใหม่แปลกแนวจากที่เคยพูดคุยกันมานะคะครับจริงภาษาไทยนี่ก็ <c oughs> ถ้าเราดูที่มาของภาษาไทยนี่ก็เรียกว่ามาจักสมัยพ่อคุณลาม สมัยนั้นนี่ตามที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาครับนี่คําที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตดูคําเป็นไทยไทยเดิมๆ เ, เนี่ยผมเองผมก็ยังทึ่งว่าจริงๆล้วนแต่เป็นภาษาใจนค่ะเป็นภาษาวิปัสสนาเป็นภาษาของผู้ที่เรียกว่าต้องเจริญสติแล้วเราจะเข้าใจความหมายของภาษาไทยแบบ รู้ที่มาที่ไปเลยว่า <คะ S 2> โอ้คนสมัยนั้นนี่แสดงเขาถึงใจจริงๆค่ะในเจริญสติเข้าถึงใจเห็นใ จ, นใจรู้ใจแ ล, แล้วเป็นภาษาของการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเราจะใช้คําว่าภาษาไทยภาษาธรรมนี่ผมว่าไม่ผิดไม่ผิดนะคะอุแต่เพื่อนของเราคงจะไม่รู้ละค่ะว่าที่คุณหมอรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่มาของภาษาไทยภาษาธรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะว่า คุณหมาเป็นคนสุโขทัยไงคะใช่ไหมเอ่ยข่าวนึ่งก็มีการคุยกันในหมู่ญาติธรรมเนี่ยค่ะเออยังคุยกันแซวเล่นๆว่าโอ้ตงสัยบัญญัติตัวเองละมั้งไปเกิดเป็นคนสุโขทัยครับค่ะภาษาไทยภาษาธรรมที่จะนําเสนอสําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับข้อคิดข้อธรรมที่เปิดนํำรายการเมื่อสักครู่ก็คือคําขานที่เราเรียกกันบ่อยครั้งในชีวิตของเรานะคะ หลายคนก็มักจะเรียกร้องด้วยซ้ำต่อสิ่งสิ่นนี้ว่าในชีวิตของตนนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่เรียกร้องเบาๆเนี่ยนะคะ<ช>บางคนเนี่ยเรียกร้องดังมากเลยถึงขนาดเป็นการประท้วงใหญ่โตกันไปเลยก็มีบ่อยครั้งให้เราได้เห็นนะคะ ค, ความรุนแรงหรือว่าความปรากฏนี่มีหลายขนาดอย่างชั ว, นนว่าบางคนบางท่านก็อาจจะ คล่ำครวญอยู่ในใจค่ะตีโพยตีพายอยู่ในใจเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็แล้วแต่มาแล้ออกทลางวาจาค่ะนะออกกลางคายแล้วแต่ขนาดของสิ่งผลักดันภายในใจอ่นะครับค่ะแต่เราก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆก็จะมีคําพูดอันนี้เนี่ยปรากฏให้เราเห็นอยู่ บ, บ่อยๆโดยเฉพาะตามหนังสือพิมพ์เพื่อตามข่าวคราลหรือว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเราเองนี่ก็ได้พี่มักจะเรียกร้องหาความยุติธรรมใช่ไหมครค่ะ ก็เรียกได้ว่าทุกระดับทุกชนชั้นทุกกลุ่มคนนะคะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจกันทั้งนั้นและค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับความยุติธรรมไม่พอเพียงต่อความต้องการของใจแต่ว่าจะแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมใจของตันเองนะคะ ค, คงไม่เคยมีใครเลยกระมับบงคะที่ไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทีเทยมกับคนอื่น คงเป็นกันทั้งนั้นแหละค่ะนี่เราก็มาวิเคราะห์คํากันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊แล้วจริงๆเจ้าความยุติธรรมเนี่ยต้องขนาดไหนถึงจะยุติแล้วก็เป็นยุติธรรมโดยแท้จริงนะคะครับก็คําคํานี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของทางโลกมันก็เป็นคําที่เใหญ่โตมโหลานมากขนาดตั้งกระทรวงขึ้นมาได้กระทรวงหนึ่งเลยฮะนั่นแล้วสิค่ะใหญ่จริงๆเลยค่ะนี่ฮะกระทรวงยุติธรรมอะไรเนี่ย เป็นกระทรวงหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ยังมีกระบวนการยุติธรรมอีกต่างหาก<ช>ไม่ใช่มีแค่กระทรวงอย่างเดียว<ช>นะคะมีกระบวนการทุกอย่างขึ้นมาเพื่อจะ่ยากให้ความเป็นธรรมกับผู้คนที่เรียกร้องความยุติธรรมต่งางๆสิ่งนี้ก็สื่อสอนนะคะว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคม<ช>มาก<ช>จนกระทั่งต้องมีกระทรวงขึ้นมารับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะมีกระบวนการที่ ใหญ่โตไม่แพ้กันและมีบุคลากรที่มากมายมหาศาลเพื่อจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคมแต่แล้วก็ยังมีเสียงเรียกขาน ร, รำร้องกันอยู่เสมอว่าคนนู้นไม่ได้รับความยุติธรรมคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะควาำว่ายุติธรรมในทางโลกถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันยุติโดยกระบวนการที่เรียกว่าตามสมมุติว่าเช่นถ้าเป็นคดีความกันเนี่ย ก็สารชั้นต้นสารุทอนการกระสารดีกานะครับไม่ไม่มีมากกว่านั้นใช่ไหมครับจบที่สารดีกาก็คือจบต้องยอมรับอ่ายุติกระบวนการกันเลยควรจะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถือเป็นอันสิ้นสุดครับถือว่าเป็นอันสิ้นสุดคือยุติไปเลยข้างนอกไม่มีกระบวนการอะไรที่มากกว่านั้นแต่ทีนี้ ถ้าเราดูจากกระบวนการภายนอกกับกระบวนการภายในเนี่ยบางทีมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมยุติธรรมข้างนอกแล้วแต่ว่าข้างในมันไม่ยุติธใช่ไหมฮะข้างในยังคงเป็นคลื่นฝ่ายที่ได้รับความพอใจก็อาจจะชื่นชมยินดีะนะครับเห็นคู่กรณีตกตายไปตามกันหรือว่าได้รับการลงโทษสาสมแก่กรรมที่ตึต้องการให้เป็น ใช่นหมหรือว่าฝ่ายผู้ที่ได้รับการสูญเสียก็จะมีความเสียใจคิดนึกรูงแต่งไปอาจจะมีความอาคาดพยาบาทนะครับอาจจะมีความเศร้าหมองหอดหู่ใจะนะครับแล้วก็ไม่หยุดนะมันมันยุติไม่ได้ถ้าเราดูจากกระบวนการข้างนอกเนี่ยความว่ายุติธรรมข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ยุติได้จริงๆค่ะ เขาทำมาเพื่อแค่ว่าเอาไว้เป็นกลางๆผมว่าเอาไว้เป็นกลางๆเพื่อที่จะให้สังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันไปได้แต่ว่าคาว่ายุติธรรมจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันยุติธรรมหรือว่าเป็นธรรมเพื่อความยุติ<ถ>เรื่องราวภายในจิตใจของเราเองแหมเล้วจะยุติกันยังไงล่ะคะตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับ ที่เราขาดกันมากใช่ไหมถ้าเราดูความหมายเนี่ยทำอันเป็นเครื่องยุติจริงๆความหมายอันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นความหมายอันหนึ่งของคําว่าพนิพพานนั่นแหละครับโอ้ไกลาปานนั้นเชียวครับเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นคําหรือว่าเป็นสิ่งหรือว่าเป็นสภาวะธรรมที่ยุติได้แม้แต่เรื่องของการเรียกว่าสงบเย็นแบบอย่างที่พิสิณีน้านะว่าไม่ต้องเกิดค่ะ ไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอีกต่อไปไอนะคะเเกิดวียยนตาแต่เราพูดภาษาในสภาวะธรรมเขาเรียกว่าไม่เกิดความปรุงแต่งนะครับจะเรียกว่าเป็นการหยุดจะเรียกว่าเป็นความสงบเย็นก็ไดะทีนี้สภาวะที่เรียกว่ายุติธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นใจต่อความยุติเนี่ยมันขาดหายไปจากจิตใจของคนเราจากการที่เราไม่ได้มา ศึกษาไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาทางความรู้สึกตัวนี่แหละครับจะไม่ทำที่เป็นเครื่องมือในการยุติความเร่าร้อนภายในจิตใจของคนเราทั่วๆไปเนี่ยมันขาดหายไปทำที่จะยุติความเร่าร้อนภายในจิตใจเนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมฮะอาจจะยุติแบบชั่วคราวมันก็มีความสงบเย็นแบบชั่วคราวจะมีความวิตบบถาวร มันก็มีความสงบเย็นดัตถาวรค่ะแต่ตรงจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปขอจากคนอื่นได้อืมนะครับความยุติธรรมอันนี้เนี่ยมันต่างจากเรื่องของยุติธรรมทางโลกค่ะทางโลกนี่เราต้องขอจากคนอื่นนะครับคำว่ายุติธรรมอันนี้เนี่ยมันต้องสร้างเอาเองเข้าขา่ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองอีกแล้วสิ น, น, นะนั่นแหครับนั่นคําว่ายุติธรรมเนี่ย มันก็มีเหตุใจในตัวมันเองอยู่ใช่ไหมค่ะก็เหมือนกันว่าถ้าเราต้องการความสงบเย็นต้องการความทุกข์ที่ลดน้อยลงค่ะเราก็ต้องมียุติธรรมคือธรรมมันเป็นเครื่องยุติเนี่ยให้มากๆนะครับเครื่องส่งเสริมหรือว่าธรรมมันเป็นส่งเสริมให้เกิดมีธรรมมันเป็นเครื่องมือในการยุติเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีอยู่เพียงแต่ว่า เราจะต้องน้อมนำเข้ามาแล้วก็ให้มันตั้งมั่นอยู่ในใจของเราค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตารเรื่องของความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติในใจของเราได้อันนึงเหมือนกันค่ะอันตัวนี้ครับเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องสั่งส ม, มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเจริญสติมาทาความรู้สึกตัวค่ะเพราะว่า ไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นเป็นตัวสืบเนื่องเป็นตัวสืบต่อขันท่าเลยเป็นตัวปรุงตัวต่อตัวแต่งค่ะถ้ามันจะหยุดต่อหยุดแต่งหยุดเติมมันก็ต้องมาหยุดตรงเนี้ยครับค่ะบหยุดตรงขันในใจของเราตัวการเจริญสตินี่จะเป็นเครื่องมือในการตัดต่อหรือว่าตัดไม่ให้มันแต่งต่อค่ะใช่มครับทำให้มันยุดติดนี่แครับถึงบอกว่าทํามันเป็นเครื่องยุดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีกันให้มากเพราะเรื่องข้างนอกมันเยอะเราจะได้เรียกร้องให้คนนั้นให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันมันคงได้ไม่สมอยากเราแน่ๆนั้นถ้าเราไม่หยุดอยากมันก็อยู่เย็นไม่ได้ออืนะครับถ้าเราไม่หยุดอยากก็อยู่เย็นไม่ได้ค่ะช่วงเนี่ยครับพี่ชินีนาช่วงเช้ามืดของวันที่สามเกิดอะไรขึ้นลรอคะ มีการทําวัดเย็นที่บ้านส่วนที่สิงห์บุรีเนี่ยไม่เห็นบอกเพื่อนของเราเมื่เลย <c oughs> ครับก็นมนอีอวลลงข้อคำเกียนที่ท่านกลับจากเออสอนธรรมที่พุทธมณฑลนะครับ <c oughs> รท่านตาลบธรรมหลังจากทําวัดเช้าคํานึงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากนํามาฝาก <c oughs> เพื่อนท้องพี่น้องคุณธรรมก็คือว่า <c oughs> อะไรเอ่ยท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรทําตัวหรือว่าหยุดทําตัวอให้เป็นปัญหากับคนอื่น สำคัญเนาะะเราควรจะทําตัวเราเองเนี่ยอย่าให้เป็นปัญหาผู้อื่นค่ะนะไม่ว่าอย่าเอากายเอาใจเอาวาจาของเราเนี่ยไปสร้างความทุกข์หรือว่าสร้างความยุ่งยากหรือว่าสร้างความลําบากหรือว่าสร้างภาระให้กับคนอื่นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราเช่วยกันสร้างเนี่ยเราก็จะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่เราเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดกันนะคะ รเราคิดแต่ว่าแหมทำอะไรให้สะใจตัวเองถูกใจตัวเองถึงใจตัวเองโดยที่คนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายลําบากกับเรื่องราวที่เราก่อเราสร้างไว้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ค่อยคิดถึงนะคะครับโบราณก็ถึงได้มีคําว่าให้คิดถึงใจเขาใจเราได้เหตุชนนี้นี่เองกระมังคะครับฟังดูที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยเป็นคําง่ายๆง่ายมาก<ต>เลยค่ะทําทยาก น, นะคะที่ต้องทำฮะใช่ไหมคเป็นสิ่งที่ต้องทําำทำตัวเอง อย่าเอากายวาจาใจของเราให้เป็นภาระกับคนอื่นค่ะฟังดูแล้วจริงๆเราเรากําลังสร้างความยุติธรรมให้คนอื่นนะคื <end> อในคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเล่าร้อนแต่กับการคิดการพูดการกระทำของาของเร า, เ, ราเนาะจะเป็นการให้ความยุติธรรมกับคนอื่นเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการให้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีมลพิษนะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะด้วยนะคะครับไม่ต้องลงทุนเอ๊ะคุณหมอคะ พูดไปถึงตรงนี้แล้วสุดคลับคลายคลับคลายจะคล้ายๆกับเรื่องราวที่เรากําลังรณรงค์ให้เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนที่อยู่รอบข้างครับซึ่งก็คือการให้ให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เราเคยให้มาครับให้ในสิ่งที่มากกว่าที่เราเคยให้มาและก็ให้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องควักสตางค์ไปซื้อนะคะครับก็คือให้ใจ ของเรามีความยุติธรรมโดยการ<ช>ที่จะระวังการคิดพูดทําของเรารอย่าให้เป็นมรพิษกับคนอื่นโอ้ไม่เล้วทีเดียวนั่นแหละครับเป็นริงที่พวกเราถ้าเราคิดดูดีๆเนี่ยว่าทุกคนก็ต้องการความสุขใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะต้องการความสงบเย็นแต่ทีนี้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำให้คนได้ในบางทีเราก็คิดว่าต้องมีปัจจัยเงินทองมีข้าวของนะครับไปใกันในช่วงปีใหม่ แต่บางทีมันเรื่องง่ายๆเช่นรอยยิ้มนะครับให้รอ ย, ยิ้มแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะพี่จีนีนาะยังไงไเวลาเราขับรถไปเนี่ยเอจอตามทางแยกทางเลี้ยวทางโค้งต่างๆเนี่ยค่ะเราแค่ว่าเราให้สัญญาณในการที่เราจะทําเนี่ยให้ทางเขาครับคืออย่างเช่นว่าเราไปเจอทางแยกเนี่ยเราจะตรงไปหรือเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยการเปิดไฟบอกเขาเนี่ย ก็เป็นการให้ความยุติธรรมกับเขาแล้วนะครับอืมเพราะว่าเขาจะไม่ลังเลสงสัยจะหุดหงิดําคาญหรือเปล่าเพราะว่เราเคยเป็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนแล้วก็หุดหงิดเมื่อก่อนเนาะ <c oughs> เขาจะตรงมาแล้วเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานนะค่ะทําให้เราวังตัววางเรียก ว, ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองทําในปัจจุบันนี่ไม่ค่อยถูกงนั้นการที่เราเปิดเผยแม้แต่เรื่องเล็กน้อ ย, อยเช่นกันให้สัญ ญ, ญาณไฟกันแต่จริงนะคะหลายคนขับรถเนี่ยไม่ค่อยให้สัญ ญ, ญาณไฟนึกจะ ซ้ายก็ซ้ายนั่นจะขวาก็ขวาอันนี้ก็ทําให้คนคนรอบข้างเนี่ยเดาใจลำบากครนี่ครือยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งแต่เรื่องง่ายๆสบายๆหรือว่าให้เขาไม่ทุกข์ใจนี่ก็ถือว่าเป็นยุติธรรมที่เราสามารถทําได้ทําได้เลยแล้วนะคะทําได้เลยเริ่มที่ตัวเราเองค่ะไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เรียกว่า เป็นพระนิพพานเลยก็ะทายมันมคำคํานี้เนี่ยเป็นคําที่พวกเราน่าจะทําความเข้าใจกับตัวเราเองให้ดีๆอ่าถ้าอย่างงั้นวันนี้นะคะคุณหมอเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราให้มาสถาปนาความยุติธรรมไว้ในหัวจิตหัวใจของตนเองกันซะเลยนะคะกดีครั บ, ร บ, รบแต่ต้องเข้าใจนะคะมิใช่ให้ท่านไปเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมนะคะคแต่เป็นเจ้าของใจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งตนเองและผู้คนรอบข้างครับ สถาปนารำอันเป็นเครื่องยุติขึ้นมาในจิตใจของเราให้มากๆหยุดอยากแล้วจะอยู่เย็นตรงนี้นะครับค่ะหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าความอยากนี่เป็นต้นตอ่องความสุขแต่จริงๆแล้วเป็นตัวยุ่งตัววายร้ายเลยทีเดียวนะคะเจ้าความอยากเนี่ยค่ะคุณหมอคะถ้าอยากรู้แล้วยุติกรรมไม่เกิดแล้วครับค่ะมันยุติไม่ได้เพราะว่าทายานอยากมันพุ่งแรงมากน้าๆสีและที่สังคมเรามีเรื่องปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดก็เพราะเจ้าตัวความอยากนี่แหล ะ, ค, ะค่ะครับเป็นเชื้ออย่าง ร้ายกะเดียวครับเป็นความยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันต้องเกิดขึ้นที่ปฏิเจกบุคคลคือแต่ละคนแต่ละท่านก่อนเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความยุติธรรมหรือว่าทํำมันเป็นเครื่องยุติรรที่นําความสงบเย็นมาสู่สังคมเนี่ยมันถึงจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นความเลวร้อนผมว่าอุณหภูมิของเมืองไทยว่าของโลกมันคงจะเย็นลงได้ด้วยประการละชนีนะครับค่ะ ก็มาเย็นกันสัทีนะ ค, ะค่ะรู้สึกว่าเราจะร้อนกันมาพอสมควรแล้วนะคะครับอยากจะฝากคําที่หลวงพ่อคาเขียนท่านสอนไว้อ่ะนะครับค่ะซึ่งบางทีภาษาเป็นภาษาง่ายๆแต่ฟังแล้วก็สะอึกค่ะนะฟังแล้วก็ใช่เลยใช่เลยเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเอาใช่เลยคนเราทุกวันนี้เนี่ยเอาตัวเองเอาการกระทําของตัวเองเอากายวาจาใจของตัวเองเนี่ย ไปเป็นภาระให้กับคนอื่นไปสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นไปสร้างความไม่สงบสุขให้กับคนอื่นค่ะนะครับโดยหวังเพียงแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขหรือว่าอ่าให้ตัวเองทุนทุกข์ไปจริงๆแล้วการที่เราไปสร้างภาระให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปเพราะว่ามันมีความทุกข์ผลักดันอยู่ในใจของเราค่ะมันต้องดันออกไปข้างนอกแล้วไอ้ความทุกข์ชนิดนั้นเนี่ยมันจึงไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอีกชั้นหนึ่งค่ะนั้น เหตุที่จะนำหรือว่าทำให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระกว่าคนอื่นเนี่ยผมจึงบอกว่าเราต้องหยุดให้ได้หยุดใจเราให้ได้ค่ะนี่การหยุดใจของเราให้ได้เนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสตินะครับะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาสู่ที่เก่าของเรานะครับว่าทําอย่างไรสติสัมปชัญญะรู้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยจะมีจะเกิดะจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ การเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าจำเป็นและก็สำคัญที่สุดสนหรับชีวิตที่ต้องการความสงบเย็นครับ